สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพรสูตอนที่419เรื่อง trust and joy เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับที่ผมได้แบ่งปันให้กับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการไว้วางใจแต่การไว้วางใจนั้นสุดท้ายก็นำมาถึง joy ครับก็คือสันติสุขหรือความชื่นชมยินดีพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงคาว่า joy นะครับ เราหมายถึงไม่ใช่แฮปปี้คือไม่ใช่มีความสุขนะครับความสุขแฮปปี้มีความหมายในแง่ของจิตวิญ ญ, ญาณก็คือว่ามันขึ้นกับสถ า, านการณ์แต่ความสุขแบบชื่นชมยินดีก็คือแบบจอยนั้นเป็นความสุขที่ไม่ขึ้นกับสถ า, านการณ์ภายนอกครับเป็นความสุขลึกๆเป็นความสุขที่อย่างรากอยู่ในจิตใจจิตวิญ ญ, ญาณในส่วนลึกของเราพี่น้องครับ ในเช้าวันนี้ผมอยากจะขอทบทวนเมื่อวานนี้นะครับ trust นะครับ T R U S T ที่เราทำ a c o u s ติ c T นั้นมาจากคำว่า t ท r n ก็คือแปลว่าเราหันกลับไปหาพระเจ้า R มาจากคำว่ารีไลก็คือการพึ่งพาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ U มาจากคำว่า Understanding ก็คือการที่เราเข้าใจความจริงโดยการเปิดเผยการทรงนำในพระจนะของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และตัว s หมายถึงการสับสนก็คือมีชีวิตที่เชื่อฟังยอมจำนนผูกพันตัวเองอยู่กับพระวิญญาณและตัว t ก็คือ terminate ับ terminate แปลว่าให้หยุดหยุดเนื้อหนังหยุดการกระทําที่เกี่ยวข้องกับทางโลกและหันมาเกิดผลฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับในเช้าวันนี้จากคำว่า trust จะนำไปสู่ acoustic ที่พูดถึงคำว่า j o y j o นี้ แปลว่าความชื่นชมยินดีที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มาจากคำว่า J O Y นะครับพี่น้องที่เคยได้ยินคำนี้มาแล้วนะครับคงจะจำได้ J มาจากคำว่า Jesus first ก็คือให้พระเยซูมาก่อน O มาจากคำว่า others second ก็คือให้คนอื่นมาเป็นลำดับสองและ y มาจากคำว่า yourselves หรือ you the last ก็คือตัวของเราตัวของคุณและผมตัวของท่านตัวของ you นั้นมาท้ายที่สุดครับเพื่อนขาพจะนักของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับว่า Jesus first นะครับก็อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่หกข้อที่สามสิบสามและท่านจำพระคัมภีร์ข้อนี้ได้นะครับแต่ผมจะขออ่านจากข้อที่ส1มสิบเอ็ด มัทธิวบทที่หกข้อที่สามสิบเอ็ดถึงข้อสาสิบสามโปรดฟังพระพจนะของพระเจ้าเหตุ hey, ฉะนั้นอย่า ก, กระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งหม่มเพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แต่ทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับ Jesus First หมายความว่าให้เราสแสวงหาพระเยซูให้เราสแสวงหาพระเจ้าให้เราสแสวงหาแผ่นดินของพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเพื่อที่เราจะไม่ต้องกังวลกังวลว่าจะไปกินจะอะไรนุะะร่งหม่มจะอะไปดื่มเพราะว่าคนอื่นๆนะครับชาวโลกสแสวงหาสิ่งเหล่านี้แต่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราสแสวงหาพระเจ้าก่อน ให้พระเยซูมาก่อนครับนี่คือประการแรกคําว่าเจอคือคําที่สองก็คืออาร์เดนะครับอาร์เดก็คือคนอื่นคนอื่นมาที่สองครับอาร์เดอร์เซคนะครับคือคนอื่นมาที่สองตรงนี้เองนะครับเราจะพบในพระธรรมมาระโกพระธรรมมาระโกบทที่สิบข้อที่สี่สิบห้าพระธรรมมาระโกบทที่สิบข้อที่สี่สิบห้าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปฏิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นข้าไถยคนเป็นอันมากนี่คือความหมายคาว่าอาน์เดอร์เปเกิลนะครับก็คือการปฏิบัติของพระเยซูบุตร ม, มนุษย์ไม่ได้มาเพื่อจะรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อจะปฏิบัติคนอื่นให้คนอื่นมาก่อนครับหลังจากที่ให้พระเยซูมาเป็นเบอร์หนึ่งคนอื่นมาเป็นเบอร์สอง พระเยซูยเสด็จมาไม่ใช่เพื่อรับการปฏิบัตินะครับแต่พระองค์ทรงถ่อมพระไทยลงมาจากฟ้าสวรรค์เพื่อปฏิบัติมวลชนพระองค์ไม่ถือตัวเต็มล้นด้วยพระไัยที่อ่อนโยนมีความรักมีความห่วงใยมนุษย์ชีวิตของเราก็ขอให้ได้รับการปฏิบัติจากพระเยซูได้รับการชำช้ำรักได้รับการสร้างได้รับการเติมแต่งตกแต่งให้มีชีวิตเหมือนพระเยซูยเพื่อที่เราจะปฏิบัติผู้อื่นได้เหมือนพระเยซูพี่น้องครับในพระเจ้าพระเจ้าอีกตอนหนึ่งอิสยาห์บทที่สี่สิบสองข้อหนึ่ง จงดูผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเราผู้ซึ่งเราชื่นใจเราได้เอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้แล้วท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปให้แก่บรรดาประชาชาติพี่น้องครับอิสยาห์บทที่สี่สองนั้นเป็นคำพยากรณ์ที่เล็งถึงพระเยซูผู้รับใช้ของพระบิดาพระเยซูได้รับการสวมวิญญาณของพระเจ้าจากเบื้องบนเพื่อจะปฏิบัติคนอื่นครับ เปโตรไม่ได้ปฏิบัติด้วยอารมณ์ความรู้สึกหรือด้วยความคิดแต่พงปฏิบัติพระเจ้าปฏิบัติมนุษย์ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าที่ครองอยู่เหนือชีวิตของพระองค์ถ้าเรายอมอมอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าครอบครองพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราเราก็จะปฏิบัติคนอื่นเราจะปฏิบัติพระเจ้าด้วยวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเราเราจะไม่วินิจฉัยหรือตัดสินผู้อื่นตามที่เราคิดเราจะไม่เอาตัวเราเป็นใหญ่ พระเยซูไม่ได้มองมนุษย์ในสภาพที่เขาเป็นครับพระเยซูไม่ได้มองเราในสภาพที่เราเป็นแต่พระองค์มองอย่างที่พระองค์มองพระองค์กาลังสร้างเราพระองค์กาลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระองค์กำลังรับใช้เราปฏิบัติพวกเราด้วยใจท่อมเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติคนอื่นด้วยใจท่อมเช่นเดียวกันเข้าใจครับพระเยซูตกแต่งชีวิตของเราเพื่อจะรับใช้คนอื่นครับพระองคเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเราได้ พระองค์ก็เปลี่ยนมุมมองชีวิตของคนอื่นได้เมื่อเช่นเดียวกันผ่านชีวิตของเราพี่น้องครับเราจะเป็นพรเมื่อเราให้คนอื่นมาเป็นที่สองครับพระเจ้าของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องในตอนนี้จะเคลื่อนไปถึงคําว่าวายครับคําว่าวายก็คือคําว่าอยูนะครับหรือยัวเซลนะแปลว่าท่านมาเป็นสุดท้ายนะครับถ้าเราให้คุณและผมมาเป็นสุดท้าย นะครับพระเจ้าจะยิ่งใหญ่ขึ้นเราจะเล็กลงในพระนรรมยอนครับบทที่สามข้อที่สามสิบพระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพระเจ้าต้องด้อยลงพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ยอหนผู้ให้บัพติศมาได้กล่าวอ้างอิงถึงพระเยซูครับคาดพิงถึงพระองค์ว่าพระเยซูจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับส่วนตัวข้าพระองค์ข้าพระเจ้า ต้องด้อยลงหมายความว่าเราต้องมาสุดท้ายนะครับโอชนะของพระเจ้าในพระธรรมยนต์บทที่สิบห้าข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบเอ็ดเช่นเดียวกันครับโยงก็พูดเหมือนกันพระธรรมยนต์บทที่สิบห้าข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบเอ็ดพระบิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักทนั้งหลายฉันนั้นจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราถ้าทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเรา ท่านก็ยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราพึ่งตามพระบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นในความรักของพระองค์นี่คือสิ่งที่เราได้บอกท่านหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่านและความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมพี่น้องครับถ้าเราได้ความยินดีของพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราความยินดีของเรานั่นก็จะเต็มเปี่ยมนะครับเมื่อเราเอาตัวของเรานะ การเอาตัวของเราเป็นที่ตั้งเราเอาตรงนั้นตัวนั้นออกไปครับเราอีโก้ของเราออกไปเรามีความภาคภูมิใจความหยิ่งผยองความหยิ่งยโศนะครับ Hell extreme นะ over extreme นั้นออกไปจากทางชีวิตของเราทางชีวิตของเรานั้นก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับจนเราเห็นทางข้างหน้าซึ่งเป็นทางของพระเจ้าและเพื่อที่เราจะรู้ว่าในทางของพระเจ้านั้นก็คือการปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นเช่นเดียวกันครับตรงนี้ ทำให้เราจะได้รับความจอยหรือความสุขความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงที่ไม่ขึ้นกับสถานการณ์ภายนอกขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะปฏิบัติรับใช้พระเยซูและทําตัวเหมือนกับที่พระเยซูได้ทรงกระทําก็คือพร้อทรมทรงถ่อมพระองค์ลงนะครับจนกระทั่งยอมถึงความมรณาแม้ความมรณาที่ไม้กางเขนอันนี้ บ, นบันทึกอยู่ในพระธรรมปฐมปีบทที่สองข้อที่ห้าพี่น้องครับผมจะอ่านในข้อที่สอง นะครับให้ฟังขอให้ท่านทําให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพียงกันอย่าทําสิ่งใดในทางชิงดีหรือถือดีแแปรจงมีใจใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยท่านจงมีน้ําใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูกิต ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ขอพระเจ้าช่วยพวกเราทั้งหลายทุกคนทุกท่านให้ได้รับจอยที่มาจากพระเยซู Jesus first, other second และ yourself last หร you the last Amen